วันเสาร์ที่8มิถุนายนพศ2539ธรรมบัญยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้จะนำเอาประวัติของพระอรหันต เ, เจ้ามาเล่า อธิบายสืบต่อไปก็จะพูดถึงองค์ที่107เป็นองค์แรกวันนี้นะครับองค์ที่1070มีชื่อว่าอังคณิกาพาระทวาชะพาระท ว, วาชะนั้นเป็นชื่อโคตซึ่งเป็นโคตใหญ่โคตหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นที่น่าอาัศจรรย์ว่า รามที่เกิดในสกุลภารัวาชะโคตนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันมากท่านอังคะอังคณิกะภารัวาชะเป็นบุคคลที่เกิดในสกุลรามเกิดที่นครที่มีชื่อว่าอุกัตทะอุกัตทะนั้นแปลว่าเมืองที่สร้างขึ้นด้วยคบไฟ หรือคบเพลิงที่เรียกว่าเมืองที่สร้าง้วยคบเพลิงนั้นก็เพราะว่าเป็นเมืองที่สร้างในเวลากลางคืนก็เป็นเรื่องของเลิกยามที่เขาถือกันอย่างนั้นเข้าใจว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าสร้างเฉพาะเวลากลางคืนแต่เป็นการเริ่มต้นสร้างเริ่มลงเสากันในเวลากลางคืนซึ่งต้องใช้คบไฟคบเพลิง เป็นเครื่องให้แสงสว่างนครนั้นจึงได้ชื่ออย่างนี้และนครนี้เป็นนครนครหนึ่งที่อยู่ในแควนแควนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือแควนกุรุแควนกุรุนั้นเป็นแควนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรรมมาตธรรมนิคมที่พระพุทธเจ้าแสดงมาหาสติปัฏฐานสูตร เมื่อพราหมณ์ผู้นี้เรียนจบในทางคติการศึกษาของพราหมณ์แล้วด้วยเหตุที่ตัวท่านเองนี้เป็นพวกที่มีเนคขมมะบา ร, รมีสังสมมาดีพวกนี้แม้ยังไม่ได้พบพระในพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็มักจะแสวงห า, าสันติบรรบทนะฮะคือสแสวงหาพระนิพพานหรือสแสวงหาความหลุดพ้น จะด้วยแนวความคิดอย่างไรก็ตามด้วยการไปบวชเป็นดาบทบาั้งเป็นฤาษีบัางเป็นปริพาชคบัางท่านผู้นี้ไปบวชเป็นปริพาชคแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของนักบวชอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งได้พบพระพุทธเจ้าในขณะที่กำลังเสด จ, จาริกไปในชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งในแคว้นกรุนั้นเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเลื่อมก็เลื่อมใส เมื่อได้เลื่อมสายแล้วก็เข้าไปสู่ที่ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ตัดสินใจบวชใหม่คือสละเพศปริภาชกมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาการที่นักบวชซึ่งเคยเป็นเดรถีภายนอกมาก่อนมาบวชเป็นพระนั้นถ้าหากว่าไปบวชกับพระสาวกท่านก็จะต้องให้ถือวัดคือต้อง คล้ายๆผ่มขาวอยู่หกเดือนเพื่อให้คุ้นกับชีวิตของความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและเป็นการทดสอบตัวบุคคลด้วยว่าสามารถจะบวชเป็นพระที่ถือศีลารจรวัตรอีกอย่างหนึ่งได้หรือไม่แต่ถ้ามาบวชกับพระพุทธเจ้าเองนั้นจะทรงให้บวชทันทีบ้างหรือให้บวชเป็นชีพขาว อยู่หกเดือนบ้างแล้วแต่แต่ละบุคคลที่ทรงพิจารณาสำหรับพรามผู้นี้พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่ามีวิสัยบารมีที่จะรับธรรมะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอการเข้ารีดใหม่ท่านก็ให้บวชทันทีแล้วก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ไม่นานได้บรรลุเป็นพระอารหาันต์ที่ถึงพร้อมด้วยอภิญญาด้วยคือเป็นอรหันตชาติลาภีบุคคล เป็นชีวิตในเบื้องต้นของการบวชเมื่อท่านได้บวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่างว่าะครับท่านก็ได้จาริกไปตามสมณะบีัยแล้วก็ได้ไปพบพวกนักบวชที่เคยเป็นเพื่อนกันมาสมัยที่เป็นปริภาชกก็ได้มาถามว่าทำไมถึงละทิ้งลัทธิเก่าไปเข้ากับลัทธิใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นลัทธิ ต่ำลัทธิเลวอันนี้ก็เป็นความคิดของคนนอกศาสนาต่อศาสนาหนึ่งหรือต่อลัทธิอื่นก็มื่กี้คิดอย่างนี้ซึ่งก็อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่กรณีอย่างนี้เราก็ถือว่าไม่จริงเพราะนั้นท่านจึงได้ถือโอกาสประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่ปรากฏอันนี้ถือเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ใครเข้าจะมาซักถาม จะถามในทํานองอยากรู้ก็ดีหรือจะถามเพื่อจะโต้แยง้งขัดแย้งก็ดีสําหรับคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นโอกาสในการประกาศศาสนาของตัวหรือประกาศพระพุทธศาสนาให้เป็นที่กระจายถึงก็ทําให้พวกอื่นเนี่ยได้มาเลื่อมใสเพราะการเข้ามาโต้แย้งหักล้างอย่างเนี้ยมามากแล้วท่านจึงได้ กล่าวตอบว่าเมื่อเราแสวงหาความบริสุทธิ์โดยโอบายโดยอุบายอันไม่สมควรได้บูชาไฟอยู่ในป่าเมื่อเราไม่รู้ทางแห่งความบริสุทธิ์ได้บําเพ็ญตบะต่างๆความสุขนั้นเราได้แล้วเพราะข้อปฏิบัติอันสบายขอท่านจงดูความที่ทําเป็นธรรมอันดีงามวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราทํากิจ พระพุทธศาสนาสําเร็จแล้วอันนี้เป็นคําประกาศอาหานเมื่อก่อนเราเป็นเผ่าพันธ์แห่งพรมแต่บัดนี้เราเป็นพราหมณ์สําเร็จวิชาสามล้างบาปแล้วเป็นผู้มีความสวัสดีรู้จบไตรเพศอันนี้ก็เป็นการถักความหมายมาในทางพุทธการประกาศอย่างนี้สําหรับกรณีของท่านนั้นมีผลมีพลัง ต่อความรู้สึกในทางที่ดีหรือในทางเปลี่ยนแปลงความเข้าใจใหม่แก่พวกเพื่อนปริพาชคในอดีตเหล่านั้นของท่านก็เนื่องจากว่าบุคลิกของพระอรหันต์นั้นแม้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรนั้นก็เป็นที่ปรากฏเป็นที่ปรากฏว่าแตกต่างจากเดิมคือพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อสมัยเป็นปริพาชคแต่งตัวบอป ผมผ้าปอนปอนไม่ได้เราแวดระวังเรื่องอาจาระไม่ได้เราแวดระวังเรื่องอการนุ่งห่มให้เป็นปริมนทนแต่มาเป็นพระเนี่ยแค่ว่ามาโกนหัวมานุ่งผมเป็นปริมนทนบารมีของพระเหลืองจับก็ดูดูเตะตาแล้วนะครับอย่ยงที่เรารู้สึกกันและในกรณีของท่านนั้นเป็นอรหันด้วยและได้แสดงธรรมด้วย คือแสดงเหตุผลต่างๆด้วยอย่างคนที่อดีตก็เคยเป็นอย่างที่ผู้ฟังในขณะนั้นเป็นด้วยพูดแล้วก็มีผลมีพลังทำให้เพื่อนร่วมรัฐที่ในอดีตนั้นเกิดความเลื่อมใสและได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาได้อันนี้ก็เป็นประวัติของของพราหมณ์ผู้นี้ในอดีตนะครับซึ่งบัดนี้เป็นพระอาราันแล้ว เราไปดูอีกองคหนึ่งครับองค์ที่หนึ่งร์อยเจ็ดสิบเอ็ดองที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมีชื่อว่าปัจจยะหรือออกเสียงอย่างไทยก็คือปัจจัยนั่นเองอท่านปัจจยะนี้เกิดในสกุลกษัตริย์เป็นชาวนาครโลหินีอนาคอนครโลหินีนี้นิฐานว่าจะอยู่ที่ อ่าโปอ่าแคว้นสักกะนะฮะแคว้นสักกะคือเมืองเล็กๆเมืองใดเมืองหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้น <c oughs> อ่ท่านผู้นี้เกิดในสกุลกษัตริย์แล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเล็กๆนะอันนี้ก็ขอให้นึกว่าในอินเดียเนี่ยการเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่เรื่อง ใหญ่โตอะไรเพราะว่ากษัตริย์ที่ปกครองนครเล็กๆก็มีบางทีบางนาครเทียบก็อย่างเดือนนี้อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นพระมหากษัตริย์เรียกว่าเป็นพระราชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาเมืองใหญ่แล้วก็การได้รับแต่งตั้งนั้นก็ถือการสืบสายโลหิตก็มีคือพ่อเป็น ผู้ปกครองลูกก็ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองต่อจากพ่อท่านเองก็เป็นบุคคลที่ขึ้นมาปกครองบ้านปกครองเมืองเล็กๆนั้นต่อจากพ่ออีกทีหนึง่งสาเหตุที่ได้มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาและได้มาบวชจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนั้นว่าวันหนึ่งเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ติดต่อจากพ่อเนี่ยก็ทำํำประการประกอบพิธีกรรมเพื่ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อเป็นมหาราชคําว่าเพื่อเป็นมหาราชเนี่ยก็เป็นแต่เพียงว่าเหมือนเป็นการเสริมสิริว่าความเป็นพระราชาคนที่เป็นพระชาธิปตินเนี่ยก็อยากจะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ และการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นประราชาที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ทําได้หลายแบบอาแบบหนึ่งที่พระเจ้าแผนดินทุกองค์สามารถจะทําได้ก็คือประกอบทางด้านการทําพลีกรรมนะฮะเป็นเรื่องของพิธีการหรือพิธีกรรมในลักษณะของศาสนาพราหมณ์เขาเอาพวกประชาชนก็มาชุมนุมกันในที่นั้นเมื่อประชาชนมาชุมนุมกันเนี่ยก็มี พุทธิยาอันหนึ่งที่มักจะใช้โอกาสในขณะที่ประชาชนมาชุมนุมกันเนี่ยในหลายๆโอกาสบางทีก็อาจจะมาชุมนุมกันในพิธีกรรมของทางศาสนาของนักบวชที่มีคนมาประชุมเยอะๆและพระผู้มีพระคงรงเห็นว่าในโอกาสนี้มีเวไนยสัตว์ที่สามารถจะไปโปรดได้ก็จะทรงเราจะเรียกว่าเป็นมือที่สามก็เห็นจะได้ แต่เป็นมือที่สามที่ไม่ได้เข้าไปเพื่อผลในทางทำลายแต่ท่านเข้าไปเพื่อผลในทางอนุเคราะห์เกื้อกูลเพราะผู้มีาภาคก็ไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมในโอกาสนี้โดยที่ไม่มีผู้นิ ม, มนต์ให้ไปแสดงไปโปรดประชาชนแ่ะครับเมื่อพระผู้มีอาภาคไปทรงแสดงธรรมอยู่คนก็ให้ความสนใจ และในขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าปัจจยะเนี่ยปัจจยราชาหรือพระเจ้าปัจ จ, ปจัยเนี่ยนะครับได้ทรงประทับนั่งอยู่ในปรัมปีด้วยก็ได้ฟังธรรมะที่พทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนั้นด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดนนินทรงมีความเลื่อมใส เกือบจะเรียกได้ว่ามากกว่าคนอื่นทั้งหมดที่อยู่ในที่นั้นเมื่อเกิดความเลื่อมใสขึ้นก็ได้ทรงประกาศสละราชสมบัติคือพิธีกรรมที่ทําในครั้งนี้เพื่อความเป็นมหาราชได้กลายเป็นพิธีกรรมรวมคนเพื่อประกาศการสละราชสมบัติเพื่อการบวช แล้วก็ได้ออกบวชในครั้งนี้เองเมื่อได้บวชอย่างนี้ก็ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าในในที่ ไม่ใช่ที่นั่นนะเป็นที่ที่ท่านหลีกเล่นซึ่งตรงนี้นะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับอดีตบางอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะถือเป็นคติเป็นข้อคิดบางอย่างในการพิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อการปฏิบัติอธิษฐานควบคุมตัวเองคือว่าการที่บุคคลจะบรรลุทําได้หรือไม่ เกิดขึ้นจากการอธิษฐานได้หรือไม่และการอธิษฐานเพื่อการบรรลุนั้นสมควรหรือไม่และถ้าอธิษฐานแล้วไม่บรรลุจะถือว่าถูกต้องหรือไม่ประวัติของท่านในตอนนี้มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้กล่าวคือเมื่อท่านได้สละราชสมบัติบวชแล้วท่านก็ได้ทำปฏิญาณอธิษฐาน ว่าท่านจะต้องบรรลุเป็นพระอระหันต์ให้ได้โดยเร็วก็จึงเข้าไปอยู่ในวิหารจะเรียกวิหารแต่ท่านบอกว่าหมายถึงเสนาสะนะอันเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านท่านอธิษฐานว่าถ้าท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอระหันต์ท่านจะไม่ออกจากเสนาสะนะหรือกุฏิหรือวิหารเป็นอังคาร และผลของการทําอธิษฐานอย่างนี้เป็นไปตามความประสงค์ทุกอย่างคือท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในทันใดในที่นั้นเองใช้คําว่าในทันใดในที่นั้นเองออันนี้เป็นเป็นกรณีของท่านและท่านก็บอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ายานแกลแก่กล้าแล้วและการทําอธิษฐานอย่างนี้เป็นอุปนิสัยที่ท่านได้เคยทํามาแล้วในอดีต คือในสมัยที่ท่าน เ, าเกิดพบพระพุทธเจ้ามีนามว่าพุทธกัสสปะเมื่ออันตรกรับก่อนอันตรกรับก่อนเนี่ยหมายก็ว่าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเราอุบัติขึ้นในอันตรกรับนี้ซึ่งเป็นอันตรกรับที่กาลังจะลงไปสู่จุดสุดท้ายของอันตรกรับแล้วก็ถ้าถอยขึ้นไป จากอันตรกับนี้ก็จะไปถึงอันตรกับก่อนซึ่งเป็นสมัยของพระพุทธกาสะปะกุบติขึ้นท่านได้ไปบวชเป็นพระภิกษุในสมัยนั้นมาแลกรางหนึ่งและได้ทำอธิษฐานเหมือนอย่างที่ทำในครั้งนี้ว่าถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่ออกจากกุฏิเป็นอังขาดผลจากการอธิษฐานนั้น ท่านตายแต่ไม่ใช่ตายเปล่าอธิบายว่าเพราะยานยังไม่แก่กล้าจึงมรณะภาพในวิหารนั่นเองแล้วไปเกิดในเทวโลกเอาตรงนี้ะที่ผมถามว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่บุคคลจะไปอดีฐานจะเอาเป็นอรหันต์ถึงกับเอาชีวิตเข้าไปแลกเช่นว่าเราเมื่อไปสู่ที่เหลือเล่นที่ใดที่หนึ่ง แล้วจะทำอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดวันเราจะไม่กินอาหารเป็นอังขาดหรือจะไม่ออกจากกุฏิเป็นอังขาดหรือจะไม่ลุกจากอาสนะนี้เป็นอังขาดสมควรหรือไม่ตรงนี้นะ่ะเรานึกถึงพระบุตรเจ้าในคืนตรัสรู้เมื่อท่านประทับนั่งที่โคนต้นโพธิ์แล้วก็ทำอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุ อนุตราสัมมาสัมโพธิญาณถึงเนื้อเลือดเส้นเอ็นจะเหือดแห้งเหลือแต่เส้นเอ็นกระดูกมีหนังหุ้มเนี่ยก็จะไม่สละอาสนะนี่คือจะไม่ลุกและผลที่สุดก็ทรงตาสรูกทีนี้คนที่อธิษฐานอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ตาสะลกกันทุกคน บางคนก็าอาจจะได้จตัลรู้บางคนก็าอาจจะไม่ได้จตัลรู้แต่ถ้าเอาเอะถ้าว่าถ้าไม่จตัลรู้แล้วอธิษฐานอย่างนี้ถามว่าผิดไหมพระพุทธเจ้าห้ามไว้หรือไม่เออก็ไม่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้และถ้าใครจะอธิษฐานอย่างนี้โดยที่ตัวเองบารมียังไม่แก่กละและคนคนนั้นมีใจถึงพอที่จะทาได้ ผลของการอธิษฐานอย่างนี้ทําให้ไปสุขติได้นะฮะคือถ้าไม่บรรลุเป็นพระอริยะก็ไปสุขติได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยุบให้อธิษฐานอย่างนี้ถึงขั้นนี้และคนที่อธิษฐานแล้วเป็นไปได้เนี่ยก็คือคนที่กําหนดดูความเป็นไปได้แนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าถ้าอธิษฐานอย่างนี้แล้วแนวโน้มที่จะบรรลุได้ มีอยู่ก็อธิษฐานก็อธิษฐานแล้วก็บรรุได้แต่ถ้าไม่บรรลุการอธิษฐานอย่างนี้ก็ถือเป็นบุญและไปสวรรค์ได้แต่ถ้าใครไม่อธิษฐานอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราจะทำลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะพิจารณาว่าจะให้เกิดผลพอเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะไม่อธิษฐานเอาผลสำเร็จ ขั้นสูงกว่าที่มันมีทางเป็นไปได้เนี่ยมาเป็นข้อจำกัดเราอาจจะอธิษฐานเท่าที่มีแนวโน้มจะทาได้ในผลบางอย่างที่เรารู้สึกได้ในขณะนั้นเช่นว่าถ้าหากว่าเรายังละหรือยังขม่มความง่วงหาหานอนไม่ได้เราจะไม่ลุกเป็นอังคาร หรือถ้าหากว่าเรายังไม่อาจที่จะละความฟุ้งซ่านได้เราจะไม่ยอมออกจากอาสนะนี้เป็นอังคาดแม้ข้าวเราก็ไม่กินนะะอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานในผลที่พอจะเป็นไปได้ซึ่งเราควรจะทำนะฮะควรจะทำเพราะอะไรเพราะหนึ่งผลที่พอจะเป็นไปได้มีอยู่สองกาลังอธิษฐานที่เราพอจะทำได้ก็มีอยู่ เราก็อธิษฐานแต่ถ้าจะให้เราอธิษฐานว่าถ้าไม่เป็นอรหรันเราจะไม่ลุกเราจะไม่กินถ้ากรณีอย่างนี้นะความเป็นไปได้อาจไม่มีอยู่อย่างเราก็คงจะมีความค่อนข้างจะเชื่อแน่ว่าความเป็นไปได้นั้นไม่มีอยู่แต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีใจแก่ใจทางอธิษฐานพอที่จะอธิษฐานได้ แม้ตายเราก็ควรจะตายอย่างนี้ถ้าใครมีใจถึงในทางอธิษฐานอย่างนี้แม้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้แล้วตายก็ไม่ผิดเราก็จะได้บารมีทังว่าเป็นคนทำอะไรดำจริงและการอธิษฐานอย่างนี้เกิดขึ้นจากกุศลเจตนานกล้าแข็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้ยุให้ทำอย่างที่ว่านี้ แต่คนทำอย่างนี้ท่านไม่ได้ตำหนิว่าผิดอย่างกรณีของพระองค์นี้เป็นต้นและยังมีพระองค์อื่นที่ทำคล้ายๆอย่างนี้อีกนะครับก็เมื่อไปถึงจะพูดให้ฟังอีกเพราะฉะนั้นกรณีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พบว่าใจท่านถึงจริงแล้วก็สองแนวโน้มของความเป็นไปได้มีจริงแม้ว่าจะ อธิษฐานมุ่งเอาผลขั้นสูงสุดนั่นแนวนอมเป็นไปได้มีจริงถ้าเป็นอย่างของเราก็เลือกเฉพาะจุดที่เรียกว่าผลขั้นเบื้องต้นๆที่พอจะเป็นไปได้แล้วก็ความอธิษฐานนั้นพอสมน้ำสมเนื้อกับกำลังอธิษฐานที่เรามีอยู่เราก็อธิษฐานแล้วดีครับอันนี้เป็นการกํากับตัวเองที่ดีมาก และลองเอาไปใช้ได้เลยครับมีผลมีผลอย่างยังดีเลยใช่ครับผมนึกว่าแม่แต่เราตั้งนาฬิกาว่าเมื่อเรานั่งเนี่ยเราหรือเดินจงกรมหรือนั่งหรือจะทำภาวนาในช่วงเวลาเท่าไหร่เราตั้งจิตไว้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราต้องการให้สติเราเกิดสืบต่อสักห้านาทีติดกันเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ให้มีจิตอื่นเข้ามากันมาแทรก เราก็ทําอธิษฐานว่าเราเอาละอย่างอื่นเนี่ยเราเราอธิษฐานคว บ, บคุมตัวเองได้หมดเลยแต่ว่าเรายังมีสติที่ไม่ต่อเนื่องติดกันได้ห้านาทีคือยังมีจิตอื่นเข้ามากั้นเข้ามาแทรกเราก็อธิษฐานคุมแล้วก็คาดโทษตัวเองไว้เหมือนเป็นคาคาดตัวตัวเองไว้ว่าถ้าเราเผลอสติ ในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานอย่างที่เราทำในห้านาทีนี้กิดออกไปทางอื่นเราจะยืดเวลาหรวยืดเวลากำหนดออกไปยืดเวลานั่งออกไปโดยไม่ขยับอีกนาทีละสิบนาทีคืออีกสิบเท่าตัวบอกตัวเองอย่างนี้ทำให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ กับตัวเองมากขึ้นในที่สุดก็มีผลทําให้เรานั้นสามารถที่จะควบคุมสติของตัวเองให้เกิดขึ้นเป็นแถวเป็นแนวได้ตามปรารถนาอาก็ฝากหลักว่า<ม>เงื่อนไขเราอยู่ตรงจุดไหนให้ใช้อธิษฐานกํากับตามเงื่อนไขที่มีอยู่ในจุดนั้นเช่นเงื่อนไขเวลาเรามักจะนั่งแล้วก็ ไม่เต็มเวลาก็ดีหรือเมื่อนั่งเต็มเวลาแล้วยังมีอาการยุกยุกจิกยิ ก, ยกนึกจะเกาก็เกา น, กนึกจะลุกก็ลุกนึกจะขยับก็ขยับก็ขยับไเงเราก็กำกับเข้าไปให้มันกระชับกระชับลึกเข้าไปเข้าไปเข้าไปและในที่สุดเราจะควบคุมจิตของเราได้อย่างดีที่สุดนี่เป็นเรื่องการอธิษฐานกับการปฏิบัติธรรมมันมี ไอลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะหนึ่งมีอธิฐานหลายระยะมีเป็นระยะเฉพาะหน้ากระชั้นคิดออกมาในรายละเอียดท่านปัจจะเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านทำแล้วท่านล้มเหลวจากการบรรลุแต่ อุปนิสัยที่ท่านได้ติดตัวมาในชาตินี้เมื่อบารมีท่านแก่พออธิษฐานนั้นก็กลายมาเป็นอุปนิสัยที่เกื้อกูลแก่บารมีที่แก่พอของท่านทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยรวดเร็วเอาละครับจากนั้นไปถึงพระอีกองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยกับท่านดีคุ้นเคยชื่อเสียงท่านดีองค์ที่หนึ่งรอย็ดสองครับ พระพากุละหรือพระภักกุละนะครับองเดียวกันที่เราเคยพูดถึงเมื่อกล่าวถึงพระภิกษุเอตกคะแล้วก็มีพระอยู่องค์ชื่อว่าพระปักุละเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางความเป็นผู้มีอาพาธน้อยความจริงท่านมีลักษณะพิเศษอย่างอื่นอีกหลายอย่างทางลาบสันก็ดีทางอาพาธสานก็ น, น้อยแล้วก็ทาง กิเลสของท่านเนี่ยท่านมีลักษณะมีบุคลิกควบคุมกิเลสได้ดีกิเลสว่านอนสอนง่ายทุกอย่างทุกเรื่องตั้งกระบวดมาเนี่ยถึงกระรับรองได้ว่าท่านไม่เคยมีความรู้สึกกำหนัดเลยแม้แต่ขณะจิตเดียวคือเมื่อตั้งใจจะบวชแล้วก็ใจยอมเป็นพระสนิทตั้งกระโกนหัวเลย อลาดก่ออุดมสมบูรณ์อาพาธก็น้อยท่านถึงได้กล่าวว่าแแอนนนนนะแม้แต่สมอสักชิ้นหนึ่งใช้คําเป็นํานวนนะแม้แต่สมอสักชิ้นหนึ่งก็ไม่เคยฉันเลยสมอเป็นชื่อของยาที่ฉันแก้โรคเล็กๆ น, น้อยๆท่านไม่มีคือเป็นคนที่มีอาพาธน้อยใช้คําว่าอาพาธน้อยคือไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรมจะมีก็อาพาธเรื่องปวดปวดเมื่อย เป็นเรื่องของความาขัดข้องทางอิริยาบถตามวิสัยคติธรรมดาอายุท่านตั้งร้อยยี่สิบท่านมากล่าวเมื่ออายุท่านเกินร้อยไปแล้วท่านทำอะไรไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเราสงสัยน่าศึกษาว่าพูดไว้ว่าอย่างไงวันนี้ก็จะบอกให้ฟังนะามาพูดถึงประวัติเบื้องต้นของท่านก่อนเนี่ยนะครับท่าน เป็นลูกเศรษฐีเกิดในสกุลเศรษฐีเมืองโกสัมพีชื่อของท่านเนี่ยแปลว่าคนสองตระกูลแปลตามสาวว่าคนสองตระกูลแปลอย่างสอดคล้องกับบุญบารมีท่านก็คือเป็นทายาทของเศรษฐีสองตระกูล เลยเรียกว่าพากุละคือครั้งแรกที่ท่านเกิดเนี่ยท่านเป็นลูกของเศรษฐีจะกรุนหนึ่งอยู่เมืองโกสันพีนั่นแหละครับแล้วก็พี่เลี้ยงก็อุ้มไปอาบน้ำอันนี้ท่านคงจะได้ยินมาแล้วนะครับไปอาบน้ําที่แม่น้ํายมูนาเพื่อเป็นประเพณีข้างทางพราหมณ์ครับไม่ใช่อาบน้ำธรรมดาเป็นการอาบน้ํา โดยถือเอาเป็นประเพณีเพื่อความไม่มีโรคคือเรียกว่าเป็นการอาบน้ําล้างโรคไม่ใช่ล้างบาปอย่างที่อาบกันในอีกติหนึง่งและในขณะที่อาบน้ํานั้นว่ามีปลาใหญ่มันฮุบจากมือของพี่เลี้ยงกลืนข้าวท้องไปเลยไอปลาเนี่ยเมื่อมันกลืนเหยื่อไปแล้วมันก็วาย ไหว้ไปถึงเมืองพาราณสีก็มีพลานปลาจับได้จับได้ก็เอาไปขายให้ภรรยาเศรษฐีที่เมืองนั้นครั้นเมื่อไปผ่าท้องดูก็เจอเด็กซึ่งยังไม่ตายท่านบอกว่าบุญคุ้มก็ฟังเหลือเชื่อนะเรายังไม่เจอตัวอย่างในสมัยนี้บุญคุ้มไม่ตาย เป็นเป็นตัวอย่างเมื่อท่านพูดถึงฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากบุญฤทธิ์มีหลายอย่างฤทธิ์อย่างหนึ่งคือฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากบุญกรณีของท่านนั่นถือว่าเป็นฤทธิ์เหมือนกันแต่เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากบุญของท่านเองจึงทําให้ท่านซึ่งควรจะตายแต่ไม่ตายบ้านเศรษฐีก็เอามาเลียงไว้เพราะว่าอที่สกูลนี้ก็ไม่มีลูก เมื่อมาเลี้ยงแล้ว ก, ก็มีความเชื่อว่าเทพยเจ้าประทานลูกมาให้โดยฝากเข้ามาในท้องปลาคันอยู่ต่อมาพ่อแม่เดิมก็มาสืบได้ความว่าลูกตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่สกุลเศรษฐีด้วยเหตุอันแปลกประหลาดอย่างนี้ก็มีการทวงสิทธิ์กันว่าลูกนี้ควรจะเป็นลูกของใครในที่สุดเรื่องก็ไปถึงพระราชาพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงตัดสิน ในในลักษณะปรณีประนอมคือขอให้เด็กคนนี้เป็นทายาทที่จะรับมรดกจากสกุลทั้งสองก็เลยได้ชื่อว่าพากุละซึ่งมีความหมายดังกล่าวมาก็อยู่จนกระทั่งเรียกว่าอยู่ในวัยที่จะรับมรดกได้กรนี ในระหว่างนั้นนี่นะครับพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมอยู่ในที่เมืองพาราณสีก็ได้ไปสะดับธรรมจะไปสะดับที่ปายสิ ป, ปัตตนามรุกทายวันหรือเปล่าไม่ได้เล่าให้ปลากฏไว้เมื่อได้ไปสะดับธรรมแล้ว ท่านภากุลาเป็นคนที่มีบุญบารมีมากเกิดความเลื่อมใสแล้วก็บวชอย่างกระตือรือรน้นเมื่อได้บวชท่านบอกว่าท่านเป็นปุถุชนอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นพอรุ่งขึ้นวันที่แปดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีเป็นอรหันต์ชั้นดี เป็นั่นท่านภกุละนี่เราก็จําไว้ว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันในวันที่แปดไม่ใช่วันแรกหรือไม่ได้บรรลุก่อนบวชอย่างพระยศและพระผู้มีอ า, าพาธได้ทรงแต่งตั้งท่านภกุละไว้ในฐานะเป็นผู้เลิศในทางความเป็นผู้มีอ า, าพาธน้อยถ้าถามว่าท่านภกุละทําบุญบารมีอะไรไว้ ก็มีลำดับการเล่าผมเล่าย้อนลำดับเริ่มความตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วคือพระพุทธกัส ป, ปะท่านพระกุระนั้นก็เกิดที่เมืองพาราณสีนี่แหละครับเกิดมีถิ่ฐานบ้านช่องอยู่ตรงเกตนี้บุญที่ท่านได้ทำนั้นคือบุญบุรณะวัดที่กำลังจะร้างคุยง่ายว่า บูรณะวัดล้างไม่ไม่ใช่สร้างวัดใหม่ลักษณะของการทําบุญบูรณะวัดล้างเนี่ยมันมีอาการเหมือนเหมือนอย่างรักษาโรคนะครับเพราะว่ามันเหมือนวัดเป็นโรคโรคเก่าชราเราก็ไปบูรณะซ่อมแซมเหมือนกับซ่อมแซมส่วนแห่งหลังขาของเรา นั้นมันก็มีเคลดว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับขาขามีกําลังน้อยถ้าจะทําบุญในเชิงบุรณวัดเป็นการารักษาโรคก็ไปสร้างเสาค้าสร้างฐานสร้างอะไรที่เป็นตัวค้าตัวยันก็จะเป็นเคลดอันหนึ่งของการทําบุญเพื่อรักษาขาบํารุงขาข้างตัวเอง อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปทําความสะอาดก็เป็นรูปหนึ่งของการบูรณะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นการบูรณะแบบสร้างเป็นวัตถุชิ้นๆออกมาเหมือนอย่างเจ้าหญิงโลยินีทําอันนั้นก็เป็นเป็นการบูรณะในรูปหนึ่งแต่ท่านท่านม ท, ท่านทําอย่างนี้เลยทีนี้มันไม่ใช่แค่บูรณะท่านยังได้เล่าว่า นอกจากการบูรณะวัดล้างแล้วท่านยังปรุงยาถวายสงในวัดนั้นทั้งวัดตลอดชีวิตคือเหมือนกับนี่ไม่ใช่เป็นการสร้างโรงพยาบาลสงแต่มันเหมือนกับการสร้างโรงพยาบาลสงปรุงยาหายาจัดยาถวายบารุงพระในวัดที่ท่านบูรณะขึ้นมาเนี่ย ตลอดชีพทางวัดดูแลเรื่องนี้เป็นข้อพิเศษอย่างอื่นก็คงทำด้วยนะแต่ว่าข้อนี้ถือเป็นข้อพิเศษนี่เป็นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนี่เลยไปถึงพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพุทธวิปัสสีในชาตินั้น <c oughs> ท่านพระกุลละบวชเป็นฤาษีได้ฌานอภิญญาอยู่ที่นครพันธุมตี ก็ได้ร en ู <divorce> no Entonces, os, Bailey, ้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบุบัติขึ้นแลในโลกคือบวชก่อนพุทธเจ้าแต่สรุและอาจจะบวชก่อนพุทธเจ้าประสูด้วยซ้ำไปก็ไปเฝ้าไปฟังธรรมแล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแต่ว่าไม่ได้บวชตัวเองยังครองเพศเป็นฤาษีอยู่ข้อนี้ก็เป็นข้อพิเศษอันหนึ่งนะครับว่า นักบวชบางพวกที่บวชในทางกายภาพโดยเพศว่าเป็นฤาษีบางเป็นดาบวชบางแล้วมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ต้องละเพศที่ตัวเองบวชอยู่และเราก็พูดได้ว่าฤาษีนั่นเป็นฤาษีพุทธ ดาบทนั้นเป็นดาบทพุทธปริภาชกนั้นเป็นปริภาชกพุทธเป็นชาวพุทธที่มีคราภายนอกเป็นนักบวชพวกอื่นทีนี้ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสงเคราะห์หรือสีนี้ว่าเป็นภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทหรืออุบาสิกาบริษัทหรือสามเณรเราจะสงเคราะห์เป็นพวกไหนตอบว่าสงเคราะห์เป็นพวกอุบาสกบริษัท ไม่ใช่พิสูจบริษัทไม่ใช่สมณีบริษัทเพราะว่าไม่ได้ละเพศเดิมมาสู่เพศพิสูนหรือเพศพิกษุดีเพราะฉะนั้นนักบวชนอกศาสนาเนี่ยคติทางศาสนาถือว่าเป็นอุบาสกเป็นผู้ไม่ได้บวชคือเป็นอนุปสมบัทเท่านั้นนะแล้วก็มีสิทธิที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาได้ ก็หมายความว่าเราเองเราเป็นอุบาสกเนี่ยเราอาจจะไปไปนุ่งขาวห่วมขาวอาจจะไป <c oughs> ไว้โหนดพลุงบลังเหมือนอย่างบางคนไปถือพลธอะไรเป็นพิเศษก็ได้ไม่ถือว่าเสียพุทธหรอกครับถือว่าเป็นพุทธแต่ว่าถ้าเป็นพระและทํางั้นไม่ได้เป็นพระและต้องอยู่ในกํากับของพระวินัย เมื่อฤุศีมานับถือพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านได้ทําบํารุงพระพุทธเจ้าบํารุงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพุทธวิปสัสสีนั้นก็คือเป็นหมอรักษาไข้คือรักษาอาพาธของพระภิกษุสงฆ์ตลอดชีพก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิชาสมุนไพรหรือวิชาหมอ ในคติอินเดียสมัยก่อนเนี่ยนะมีที่มาจากพวกฤาษีชีพไหลเนี่ยเหมือนอย่างไอก า, การการบริหารนะนะพูดถึงว่าไอการออกกําลังกายอย่างฝรั่งยังไม่มี <c oughs> เราก็ได้จากพวกฤาษีที่เขาอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นไอการจัดการบริหารที่เรียกว่าวิชายโยคะเนี่ยก็มีบ่เกิดมาจากพวกนี้และพวก วิชาย า, าต่างๆก็เกิดมาจากผู้นี้และผู้นี้แะครับที่มาถ่ายทอดให้กับคนในบ้านในเมืองและคนในบ้านในเมืองก็มาทำเป็นระบบสั่งสอนกันเหมือนกับวิชาโยคะเดี๋ยวนี้ก็กลายมาเป็นวิชาของคนเมืองแต่ที่มาน้ามาจากคนป่าคือพวกฤๅษีดังนั้นพวกฤๅษีเนะี่ยมีมีวิชาผู้นี้เขาจะรู้จะอะไรด้วยการทดลองโดยความสามารถทางกิต ด้ยการสังเกตธรรมชาติสังเกตสิงสาราสัตว์ว่ามันเป็นอย่างนี้สัตว์นั่นมันเป็นอย่างนี้มันมากินอย่างนี้แล้วมันหายอะไรเงี้ยนะก็สังเกตไอสัตว์มันจะไปเอาความรู้มาจากไหนก็ไม่ทราบนะว่ามันกินไอนี้แล้วมันจะอ้วกพิษที่อยู่ในตัวมันก็จะหาใหยจะออกมาได้สัตว์ใหชันเนี่ยแม่สุนัขแมวอะไร่งนี้เราก็รู้เออมันไปกินอะไรอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเคล็ดยาของเราขึ้นมา ก็ <c oughs> เลยได้ใช้ความรู้เหล่านี้มาเป็นเครื่องแสวงบุญเลยเป็นบารมีอีกชาติหนึ่งนะอันนี้เป็นบารมีชาติหนึ่งที่นับว่าพิเศษนะเพราะว่าบุญของคนที่จะทำมาเพื่อความประเสริฐในชีวิตเป็นกรณีพิเศษอย่างเป็นเอต ท, ทักขะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นปัจเจกเนี่ยต้องได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นบุญพิเศษและใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการสร้างบารมีเป็นพิเศษได้เป็นอย่างดีจึงเป็นข้อบังคับเลยทีเดียวอาอย่างคนจะเป็นพุทธเจ้าถ้าไม่ผ่านพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นไม่ได้ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นไม่ได้คนจะเป็นปัจเจกก็เหมือนกันคนจะเป็นพวกเอ อาศิติมหาสาวกก็เหมือนกันต้องผ่านพระพุทธเจ้าพระอาหารหันมาก่อนจึงจะเข้าถึงความเป็นเลิศในฐานะเป็นเอตถกัตริได้นี่ท่านก็ได้ทำแล้วทีนี้มาถึงอีกสมัยหนึ่งคือสมัยพระอนมุมัติสีพุทธเจ้าถ้าใครอยากจะรู้ว่าในกับไหนองค์ที่เท่าไหร่นะดูจาก แผนภูมิเรื่องพุทธวงศ์ที่แจกไว้ให้นะครับพระโอนาทัศนศีอุบัติขึ้นท่านระกุลนั้นได้เกิดเป็นพราหมแล้วก็จบวิชาทางด้านทฤษฎีแล้วก็ไปบวชเป็นฤๅษีอีกนลครับได้อภิญญาอีกเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ได้ไปฟังธรรมแล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาและ พระพุทธเจ้าที่มีนามว่าอโนภาทศีได้ทรงประชวนป่วยที่พระนาพีพระนาพีนี่แปลว่าอะไรแปลว่าท้องใช่ไหมท่านได้นำเอายาสมุนไพรจากป่ามารักษาพระนาภีของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจนหายจากโรคและ ในโอกาสนี้เองที่ระบุว่าท่านได้อธิษฐานว่าขออํานาจบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้ระบุอธิษฐานในทางโรคไม่หายหรือไม่นะแต่ว่าตรงนี้นะได้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีโรคคือมีโรคน้อยมีอาพาธน้อยทําการอธิษฐานไว้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันและ ในสมัยพระปัทมุตตระพระพุทธเจ้านั่นเองที่ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งพระสาวกไว้เป็นเลิศในทางความเป็นผู้มีโลกน้อยก็ได้อธิษฐานด้วยการทําบุญอื่นนะนี่ไมในในในสมัยที่อ่าพบพบปัมุตตระพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทําบุญเด่นได้ยาหรอกแต่อธิษฐานเริ่มลงหลักปักฐานเรอธิษฐานและทําบุญอื่นอธิษฐา น, าฐานเป็นครั้งเริ่มต้นอย่างเป็นแกนสาสาระ ก็เลยเป็นผลทำให้ท่านพักุลลนั้นเป็นคนที่มีโรคน้อยโรคน้อยของท่านนะเขาเรียกว่าพูดอย่างถ่รมตัวนะครับความจริงก็คือไม่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยป่วยเลยหวัดก็ไม่เคยเป็นท้องก็ไม่เคยปวดท้องก็ไม่เคยเสียท้องก็ไม่เคยผูกร้อนในก็ไม่เคยอะไรพวกโรคอย่างนี้ท่านก็ไม่เป็น อย่างดีก็แค่ปวดปวดเมือม่อยๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของง่ายยิ่งมาได้รับยกย่องอย่างนี้ยิ่งเป็นไม่ได้เป็นและเสียเลยพระอุตตเจ้าเสียว่ารถตพนาให้เป็นผู้เลิศทางไม่มีโรคแล้วมาเป็นโรคซะเองเนี่ยก็แย่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธาณสูงแล้วป่วยโรคเต็มตัวซะเองก็แย่ผ่านเลยไปถึงอีกองค์หนึ่งเอองค์นี้ชื่อว่าธนิยะ ท่านทนิยะเนี่ยถ้าใครไม่เคยอ่านวินัยก็จะไม่ได้ยินชื่อท่านใครที่เคยอ่านวินัยแล้วจะเจอชื่อท่านเรื่องของท่านนาลาโลดผลสนุกสนานในพระวินยัยเล่มที่หนึ่งทุติยปราชิกคือเป็นปฐมบัญญัติของทุติยะปราชิกคือปราชิกข้อที่สองปราชิกข้อที่หนึ่งห้ามฆ่ามนุษย์ปราชิกข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ <c oughs> เกินกว่าหนึ่งบาทไม่ได้แปล ว, ว่าน้อยกว่าหนึ่งบาทลักได้ ก็ไม่ควรรักทางนั้นนะรักน้อยกว่าหนึ่งบาทก็ปดจีนอื่นไปถ้ารักตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปก็หาบัทประราชิกแล้วก็อวดอุตลีมนุษธรรมก็ไม่ได้ท่านธนิยะเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาเป็นต้นบัญญัติ ของศีลคนนี้ในวิในวิดกนะั่นไม่ได้พูดว่าท่านเป็นอราหันต์ตอนทําผิดวินยยัยไม่ได้เป็นอราหันต์แต่หลังจากนั้นถ้าเราอ่านแค่ในวินในเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นพระอราหันต์หรือเปล่าพอมาฟังเรื่องนี้เขาเราก็รู้ว่า อ, องค์ปฐมบัญญัติปฐมประราชิกเนะี่ยไม่ได้เป็นอราหันต์ลูกกมเมีย์เป็นคือพระสุธิน ไม่ได้เป็นนะเพราะว่าตรอมใจตรอมใจตายไปก่อนนะฮะความจริงเนี่ยท่านสุทินนะไม่ถือว่าอาบัติประราชิกหรอกนะครับเพราะว่าเป็นปฐมบัญญัติเนี่ยไม่ถือว่าผิดเพระวินัยยังไ ม, ไม่ได้บัญญัติไว้ก่อนท่านท้านิานยะนี่ก็เหมือนกันท่านก็เป็นปฐมบัญญัติถ้ามาทําภายหลังแล้วก็หมดสิทธิ์ต้องสึกเลย แต่นี่ท่านเป็นปฐมบัญญตัติแล้วก็ถ้าเทียบกับปฐมประราชิกแล้วเนี่ยในแง่ค่าของความเป็นค่าศึกของพระมจันท ร, ร์นะก็ปฐมบัญญัตินั้นเป็นเสี้ยนนามเป็นค่าศึกของพระมจันท ร, ร์ที่รุนแรงผิดกับการไปใช้อบายลักทรัพย์ท่านลักอะไรที่ไหนก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นเนี่ยก็ เล่าความลำดับชีวิตท่านว่าท่านเกิดในสกุลช่างหมอกชาวเมืองมคต เ, เพราะฉะนั้นในวินัยเนี่ยจึงเรียกท่านว่าท่านิยะกุมภการบุตร ท, ทนิยะกุมภการบุตรท่ทานนิยะเป็นชื่อตัวกุมภการะแปลว่าทำหมอบุตรก็คือลูก เอาความเป็นภาษาไทยว่าลูกช่างปั้นหมอ้อก็ปั้นหม้อขายก็ครอบครัวมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กจนกรทั่งได้รับความรู้เรื่องศิลปะการปั้นหมอ้ออย่างดียิ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะดีเป็นพิเศษเมื่อเราอ่านในวินัยโดยลำดับต่อไปเนี่ยว่า ท่านสามารถที่จะทำกุฏิด้วยดินเผาแล้วก็มีการเผาขัดเหลืองสุกปลังอย่างการทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ทีเดียวมองไกลๆอย่างนั้นตอน เ, เมื่อครองชีวิตคารวะจนกระทั่งเป็นงานเป็นการอะไรแล้วเนี่ะครับตอนหลังได้พอออกบทที่ออกบทนะ่ะอะไรมาเป็นเหตุจูงใจทำให้ออกบท ฟังตรงนี้แล้วก็จะปฏิปต่อกับเรื่องเนื้อความในสูตรอื่นบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนขึ้นเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าเราอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่เราจะพบสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าทาตุวิบังกสูตรแล้วก็สูตรนั้นได้เล่าถึงบุคคลในในต้องเรื่องคือพระปกษษษุสติ พระปกสาตินั้นเป็นพระราชาครองเมืองตากศิลาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียเป็นเพื่อนโดยไม่เห็นตัวเพื่อนทางจดหมายกับพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ทรงแสดงธรรมเพื่ออะไรอะไรยังไงจากเพื่อนก็ศรัทธาบทอุทิตพระพุทธเจ้าโดยที่ยังไม่ได้เห็นตัวบทเองแล้วก็จะลิกมาลงมา มุ่งหน้ามาสู่แว้นมาคตก็ได้มาพักระหว่างทางคืนหนึ่งที่โรงช่างปั้นหม้อในนั้นบอกว่าเป็นโรงของช่างปั้นหม้อชื่อว่าพักวะคงจะเป็นชื่อตัวก็คือพ่อของพระธนิยะเองชื่อพักวะพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปดักรอที่นั่นแล้วก็พักกันอยู่คนละมุมห้องผมไม่เล่ารายละเอียด เนื้อความในสูตรนี้เราเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแล้วก็เมื่อได้พักอยู่ที่นั่นก็ได้มีการแสดงธรรมโปรดพระปกุาติจนกท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และไปถูกกวายกิดตายเป็นควายคู่เป็นคู่กรรมนะกรนีราหว่างที่ พักอยู่ด้วยกันแล้วก็แสดงทมอยู่ด้วยกันตั้งแต่กลางคืนยันะว่างเนี่ยครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ถูกจะเรียกว่าแอบดูแอบฟังแอบสังเกตพฤติกรรมอาคันตุกะที่เป็นบรบรพชีสองรูปนี้ว่าพูดอะไรกันอะไรมีอาจาระอย่างไรเคารพนอบนอบ ก, กันอย่างไรคนที่มาแอบเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดความเลื่อมใส คนที่มาเห็นเหตุการณ์นี้ก็คือลูกของอย่างบันหมซึ่งโตแล้วนะครับคือท่านธนิยะนี่แหละก็เลื่อมใสว่าโอโ้แม้การบวชนี่ดีอย่างนี้เองน่านับถือน่าเลื่อมใสอย่างนี้เองจึงได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าโดยโอกาสนั้นก็เลยได้บวชส่วนท่านปุกสาตินะ่ะปรินิพานไปแล้ว ก็ดีที่ท่านธนิยะไม่มาคิดว่าเออแม้ฟังธรรมะ ส, ออสดสดร้อนร้อนพอพน้นพระพักพระพุทธเจ้าออไปโดนควายขิดตายทําไมบา ร, รมีพระพุทธเจ้าคุ้มไม่ได้แต่คือเราบวชเรายุ่งกับพระองค์นี้ถ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นบ้างท่านดีท่านไปคิดอย่างนั้นนะท่านกับคิดในส่วนดีที่ท่านเห็นก็เลยบวช ด, ด้วยความเรื่อมใสคราวนี้ เมื่อได้บวช ด, ด้วยความเลื่อมใสโอ้หน่นะคนเราเนี่ยแม่ได้ฟังธรรมะกันอยู่ด้วยกันคืนเดียวนะพ้นจากความทุกข์ถอนตนออกจากหลังตะรวัดได้ น, นี่ก็ว่าตามที่พระสองค์พูดกันแล้วก็พฤติกรรมของพระที่สแสดงให้เห็นก็เลยคิดว่าเออเราก็ควรจะถอนตนออกจากความทุกข์ทั้งหลายบ้างอันนี้เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็ได้เสด็จติดตามพระพุทธเจ้า แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเครื่องขัดขวางท่านทนิยะตลอดมาก็คือเรื่องความกังวลในที่อยู่คือท่านบอกว่าชอบตกแต่งกุฏิทำกุฏิให้ใหญ่ทากุฏิให้สวยเป็นคนที่ไอ้นี่เราก็ต้องเข้าใจว่า คนบางคนเนี่ยอาจจะเอาใจใส่เรื่องการแต่งแต่งกายนะบ้านยังไงแต่ว่าเวลาออกนอกบ้านต้องเน็บมาก่อนเวลาผมนั่งเรือเข้าไปในกองตลิ่งยันเนี่ยนะที่นั่งมาในเรือด้วยกันโอ้โหแต่งตัวบ้านของใหญ่โตมากต่อขึ้นแล้วบ้านสมศมแสดงว่าเอาตัวเอาใจใส่เรื่องการแต่งตัวนะจนกระทั่งบ้านยังไงช่างบางบางทีผู้หลักผู้ใหญ่บอกแม้ถํามันบ้านของ ทําบ้านให้สะอาดเหมือกับมึงแต่งตัวบ้างก็ดีกูจะชื่นใจไม่น้อยเออถึงอแม้มที่หลับที่นอนห้องนอนยังดูไม่ได้เลยอะไรเงี้ย ก, ก็ว่ากันอย่างนั้นทีนี้บางคนเนี่ยเอาใจใส่ดูแลเรื่องที่อยู่มากบางคนเนี่ยเช่าที่เขาอยู่บางคนเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยเขายังพูดเลยก็ดีนะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่าน่าจะเอาใจใส่เรื่องการในตัวก็น่าจะเอาใจใส่เรื่องอื่นด้วย ว่าขอบเขตขยายข่อเขตนะไม่ว่าออย่างบางรายบอกค่าเนี่ยถึงจะเช่าเขาอยู่แต่เขาจะทําเหมือนบ้านเขาตกแต่งอย่างสวยงามเป็นระเบียบถึงจะเช่าที่เขาอยู่ปลูกบ้านอยู่ถึงข้าวเมื่อได้ปลูกแล้วต้องปลูกอย่างดีไม่ตามทรงเด็ดปลูกเหมือนที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็ดีะแล้วก็ผมก็ว่าไอ้ไอลักษณะดีๆอย่างนี้นี่พูดถึงถ้าเป็นเป็นผู้คลองเรือนเนี่ยก็มักจะได้รับความเห็นใจแก่เจ้าของที่ แม่บางคนไปเช่าที่เขาทําทําสวนเนี่ยแล้วก็ทาําสะอาดดีเงี้ยเจ้าของที่เองเนี่ยครับชื่นใจและอยากจะให้คนเนี้ยเช่าอยู่ น, น, นานๆและถึงคราวจะขายจะอะไรก็รู้สึกว่านึกถึงน้ําใจว่าเขารักที่ของตัวเหมือนตัวรักหรือยิ่งกว่าตัวรักนี่เป็นเรื่องนิยมทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของพระเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคเพราะว่าพระเนี่ยการแต่งกายถึงเกินขอบเขตของวีไนก็เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติธรรมและการเอาใจใส่เรื่องกุติคือพูดง่ายๆว่าสร้างกุติจนใหญ่โตมีคือของอำนวยความสะดวกเหมือนอย่างผู้ครองเรือนเขาเขาใช้กันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมหรืออาจจะเป็นอุปสรรคต่อศรัทธาของคนอื่นได้อุปสรรคที่เกิดกับคนอื่นนะยังไม่สําคัญเท่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เวลานี้ท่านทนิยะนั้นมาเสียตรงนี้ที่อยู่กำนัดได้ที่อยู่เอาภาละเรื่องที่อยู่จนเกินพอดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิเนี่ยเมื่อไปเห็นกุฏิว่าแหมแต่งทำกุฏิซะใหญ่โตโมโล้านอย่างนี้ไม่สมควรท่านก็ขอลบพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตำหนิท่านก็ทำกุฏิหม่ครันนี้ทำเป็นกุฏิดินแต่ว่า ตอนทำไม่ได้บอกพระพุทธเจ้านะอาตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่รอบๆกรุงรัชคลึกนี่แหละครับพ ร, พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขาขี้จิกูดแล้วก็เปล่าอุอ้งกระจายกันอยู่คนละที่ละทางต่างคนต่างไม่เห็นกันนะ่ะท่านก็มีวิชาปั้นก็ปั้นกุฏิด้วยดินที่คัดเลือกอย่างดีแล้วก็ทุบอย่างดีปั้นอย่างดีเผาอย่างดีคัด อย่างดีสวยงามอารามเรืองพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากเขาคิจกูดผ่านไม้เห็นเข้าก็ถามภิกษุทั้งหลายว่านั่นกุติวิหารใครงามปลังยังกับสำเร็จด้วยทองพระก็กราบทูลว่าเป็นกุติดินปั้นของธนิยะพิขุ พระผู้มีภาคจึงสั่งให้ไปทำลายเนี่ยฟังดูน่ากโกรธใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าแอลซาห์ลงทุนลงแรงทำได้อย่างสุดฝีมือพระพุทธเจ้าสั่งให้ทําลายเนี่ยน่ากโกรธแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ว่าคนบางคนเนี่ยควรจะทําได้แค่ไหนยังไงออย่างการณีอย่างนี้ท่านธนิยะเนี่ยเลื่อมใสพ ร, พ, รพระพุทธเจ้าแน่เขารบพระพุทธเจ้าแน่ และท่านธานิยะนั้นมีความผูกพันในกุฏิเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไม่เห็นเป็นคุณค่าอย่างนี้สั่งให้ถูกทําลายท่านก็ไม่โกรธท่านก็ละถอนใจคือถอนในความผูกพันได้ง่ายๆไม่ยากต่อมาก็มาคิดว่าเอเราทํากุฏิใหญ่ก็ไม่ดีทํากุฏิดินก็สวยเกินไป เอ้แล้จะทํากุฏิด้วยอะไรดีก็มานึกถึงว่าเออเรามีเพื่อนเป็นคนคุมคลังพัสดุไม้ของพระเจ้ามกระเจ้าพิมพ์พิสารเราไปหาเขาหน่อยไปแล้วกันแล้วไปขอไม้เขามาทํากุฏิก็ไปหาเพื่อนไปขอไม้เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้แล้วของนี่เป็นของหลวงเอาไว้ซ่อมมนากรถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงอนุญาต โยมเห็นยให้ไม่ได้ท่านก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงอนุญาตแล้วเมื่อบอกว่าทรงอนุญาตคนเฝ้าไม้หลวงก็เชื่อเพราะว่านึกเอาเองว่าพระคงจะไปขอจากพระเจ้าแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดินนั้นทรงเลื่อมใสพระยิ่งนะและโดยธรรมดาพระก็ไม่พูดโกหกแล้วก็เป็นเพื่อนเราด้วย mm hmm. ก็เลยให้บอกจะเอาก็าขนเอาพร ะ, ะท่านธันยกักว่าสั่งตัดเป็นตอน พอแก่การแท่งานเนี่ยบรรทุกเควียนเข้าไปแล้วขอแรงขนเข้าไปอยู่ที่บริเวณที่ท่านจะเลือกทำกุฏิก็ตรงที่ถูกทำลายไปแหละก็ไปทำกุฏิด้วยไม้ที่ไปเอาไม้ของหลวงมาคราวนี้เรื่องก็ทราบไปถึงหูของ วสการาพราม์ซึ่งตอนนั้นไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็มาถามคนคุมไม้คนคุมไม้ก็เล่าความให้ฟังอวสกาลาพรามณ์ก็เลยไปนิ ม, มนต์พระมาไปเฝ้าพระเจ้าพิมีาสานด้วยกันพระเจ้าพิมีาสานก็ถามว่าประคุณเจ้าโยมมีภาระเยอะอาจจะบอกให้ไว้แล้วก็ลืมนี่พระท่านบอกว่า ก็ตอนที่ท่านขึ้นกรองราดนะท่านประกาศว่าหญ้าและไม้ในป่ายกให้สมณะชีบลาอุปโภคบริโภคใช้สอยได้ทุกประการอันนี้เป็นการพูดตาม ร, รมเนียมแต่มีความหมายว่าไม่ใช่ไม้ที่ตัดแล้วก็ชักมาสู่ลงเก็บไม้แล้วแล้วก็อยู่นหมายถึงไปพักอาศัยอยู่ ใช้สอยตามสมควรที่จะใช้สอยในลักษณะอย่างนั้นไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านก็เป็นพระโสดาบันท่านก็เลยบอกว่าแต่ว่าโยมก็จะไปลงโทษอะไรท่านก็ไม่ได้ก็ท่านก็กลับไปก็แล้วกันก็กาหลังก็อย่าถามอีกแค่นี้วัฏจักรลับล้างแกเอาเรื่องแกเอาเรื่องก็เลยไปโพนธนาเรื่องก็เลยเข้าไปถึงพระโสดของพระศาสดาเลยทรงชําระสอบถาม ท่านสนัญญาท่านก็นยอมรับว่าจริงอันนี้ครับจะเรียกว่าเป็นการอ้างเล่หักความหมายของคําพูดมาเป็นความหมายสอดคล้องกับความต้องการของตัวก็เลยทรงตําหนิแล้วก็ทรงบัญญัติสิขาบทเรื่องของการถือเอาของที่คนอื่นไม่ให้ในราคาหนึ่งบาทเนี่ยนะครับตามสมัยนั้นก็เลย ท่านทนิยะเป็นต้นบัญญัติถูกตําหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษอะไรๆก็เรียกว่ารุนแรงแหละนะครับเราก็ไม่ได้นึกเมื่ออ่านวินัยว่าท่านทนิยะจะได้กลับกลายมาเป็นพระอรหันต์ไปได้ในที่สุดและที่ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็หลังจากโดนตําหนิเมื่อไปเป็นต้นบัญญัตินี่แหละครับเกิดความสลดสังเวชเลย ความคิดความผูกพันความมั่นหมายความเอาใจใส่ในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยก็หมดไปไงเลยไอ้กิเลส ท, ที่เป็นตัวกีดขวางขัดขวางท่านก็ไม่มีก็เป็นอันพ้นไปการนี้ถ้าถามว่าการณีของท่านธนิยะเนี่ยถือว่าผิดศีลข้อสองหรือไม่ในแง่วินยัยในแง่กฎหมายเนี่ยไม่ผิด แต่ในแง่ศีลถือว่าผิดไหมผิดใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเป็นบาราชิกไหมไม่เป็นเพราะเป็นต้นบัญญัติ mm hmm. ก็เลยเป็นการผิดศีลอย่างผิดศีลที่เรียกว่าทําคืนได้เป็นบาปชนิดที่เรียกว่าทําคืนได้จึงไม่ขัดขวางมากักขัดขวางผล แล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ศึกเหมือนอย่างผู้ที่ทำผิดในชั้นลางหลังต่อมาเลยได้เป็นพระอาหารหันต์ไปในภายหลังนี่เมื่อท่านได้บรรลุแล้วเนี่ยท่านจึงได้สอนพระที่เป็นเรียกว่าเป็นพระรุ่นหลังนะรุ่นหลังในทางการปฏิบัติแล้วก็รุ่นหลังในทางการบวชเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ของอาชีวะ ที่เป็นบทเรียนแก่ท่านมาแล้วก่อนแต่เป็นพระอาหารหันต์อาชีวะเนี่หมายถึงการแสวงหาปัจจัยสี่เรื่องของบริโภคก็ดีของอุปโภคก็ดีเห็นกุฏินี่ก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะเป็นมิจฉาอาชีวะอย่างหนึ่งที่ท่านได้สอนมาท่านได้ประสบมาแล้วจึงได้สอนอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงได้สอนว่า ถ้าภิกษุมุ่งหวังความเป็นสมณะปรารถนาจะอยู่สบายไม่ควรดูหมิ่นจีวรข้าวน้ําของสงฆ์ถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณะปรารถนาจะอยู่สบายพึงเสพที่นอนที่นั่งตามมีตามได้เหมือนงูและหนูขุดรูอยู่ฉะนั้นถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณะ ปรารถนาจะอยู่สบายพึงยินดีปัจจัยทำมีทำได้และพึงจเจริญธรรมอย่างเอกคือความไม่ประมาทคำพูดตัวนี้มีความหมายดีหลายอย่างซึงเราคงจะเอาบรรยายกันเป็นละเอียดไม่หมดผมก็เลือกอยากจะพูดว่าที่ท่านพูดเน้นไว้ตอนหนึ่งเรื่องเรื่องงูอยู่รูหนูในอันหนึ่งคือพูดว่าภิกษุที่อยู่กุฏิควรจะอยู่กุฏิ ตามมีตามได้เหมือนไอ้หนูเนี่ยมันขุดหรูแล้วงูมาสายรูหนูอยู่ห น, หนูงูมันขุดลูมันเป็นใช่ไหมมันก็มาสายอยู่ตามรูหนูเพราะไอ้หนูเนี่ยก็เหมือนโยงเขาให้เขาสร้างกุฏิให้พระก็อยู่ตามมีตามได้อย่าไปเที่ยวขนขวายทําเองออกความคิดเองออกแบบแปลนเองให้มันใหญ่โตโมโลาร์อย่างนั้นอันนี้ในความหมายที่อันที่หนึ่งทีนี้ ที่สำคัญอีกอย่างความหมายสรคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าพึงหวังพึงไม่ควรดูหมิน่นจีวรและข้าวน้มของสงตรงนี้เป็นคำสำคัญคำว่าของสงเนี่ยแต่ก่อนแต่ไหนแต่ลายมาในทางวินัยแม้เดี๋ยวนี้ถือเป็นของแรงนะครับ ใครที่ล่วงละเมิดของสงโยมเนี่ยหรือสงเอาของสงไปให้คนอื่นให้โยมก็เป็นเรื่องบาปแรงลองเชื่อเป็นของสงหรือของแรงทีนี้ถ้าหากว่าผู้เสพของสงอย่างพระสงฆ์ใช้ของสงไม่มีของเป็นของตัวเองของสงในหมายถึงของส่วนกลางของสถาบันถือว่าเป็นของเกื้อกูลแรงมากคนที่จะมีใจยินดีของที่เป็นของส่วนกลาง ในนี้มันคล้ายๆทฤษฎีคอมมินิตแต่ไม่เหมือนกันเดียวคนที่ยินดีในของที่เป็นของส่วนกลางด้วยความรู้สึกเคาลบให้ความสาคัญมากกว่าของที่เป็นของตัวเองเป็นของทายากเป็นของทายากเพราะฉะนั้นสงที่จะยินดีของสงที่ไม่ใช่ของบุคคลของพิสุเป็นของทายาก แต่ใครทำได้แล้วได้อานิสงส์แรงกว่าของที่เป็นของเขาให้ส่วนตัวนี่ผมว่าเป็นความหมายหลักๆแค่สั้นๆแค่นี้อา้าวเราลองลองมานึกดูว่าอย่างเราเนี่ยถ้าที่ใดอะไรเป็นของเราเราจะเอาเราจะเอาใจใส่ใช่ไหมจะเคารพ จะจะเราแววะระวังทุกอย่างถ้าอะไรที่ไม่ใช่ของเราของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเราแเวะระวังจริงไม่จริง mm hmm. เช่นเราไปบ้านคนอื่นเปิดไฟเขาเนี่ย mm hmm. เกิดมาแล้วไม่เคยออกค่าไฟเองแต่พออยู่ต่อมาต่อมาบ้านนั้นตกเป็นของเราเราเอาใจใส่นี่ผมพูดแทนว่าเราผมไม่ได้หมายว่าผมหรือใครนะ แต่ว่าคนบางคนเนี่ยของยิ่งเป็นของคนอื่นเนี่ยเขาจะเคารพสูงเคารพสูงกว่าของตัวอย่างที่บางคนพูดอย่างไม่ไม่ใช่แค่พูดอ้างนะว่านี่มันเป็นของของคนอื่นนะถ้าเป็นของของเราเราไม่ว่าํานองว่าด่าเราไม่เป็นไรอย่าด่าคนอื่นก็นแล้วกันในจำลองนี้ของของคนอื่นเนี่ยต้องระวังไม่ใช่ของของเราเนี่ยถ้าทําไม่ใช่สักแล้วว่าพูดนะ ไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นเป็นความคิดที่ละเอียดอ่อนเหมือนกับท่านธนิยะเลยกลายมาเป็นคนที่ไม่สร้างอะไรเป็นของตัวใช้ของสงที่นี้ตรงนี้มันมีข้อเสียคือว่าถ้าคนไม่มุ่งที่จะไปเอาแต่ของคนอื่นกลายเป็นเลวอีกนั่นคือแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งแต่ตรงนี้มีความหมายว่าคนบางอย่างท่านธนิยะท่านสามารถจะสร้างจะมีจะครอบครองได้ แต่ท่านไม่เอาและใครจะน่าให้มาสร้างเป็นของให้ให้เป็นของส่วนกลางและท่านใช้ของส่วนกลางที่เขาให้แกสงเนี่ยเขาก็ได้บุญมากของนั่นก็เป็นของแรงเราได้ใช้ด้วยความเคารพยิ่งกว่าเหมือนเป็นของเราเนี่ยประเสริฐมากคนนั้นเพราะงั้นคนที่เก็บขยะหน้าบ้านคนอื่นได้ทนความสกรปรกที่มันอยู่หน้าบ้านคนหื่นได้ไม่ได้คนนั้นน้าใจประเสริฐมาก จริงมาแต่ว่าถ้าคนไหนเออไม่ใช่หน้าบานเราทิ้งได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็แย่หน่อยอันนี้ก็เป็นคติอันประเสริฐที่เราได้จากท่านธนิยะที่ได้กล่าวถึงไว้มาถึงอีกองค์หนึ่งองค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ชื่อว่ามาตังขปุตตะท่านมาตังขปุตตะ เป็นตัวอย่างเขาบุคคลอีกคนหนึ่งที่อยากเป็นพระอาหารหันต์เพราะอยากมีฤทธิ์นี่จะเห็นว่ า, าแรงจูงใจของการที่จะเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยมีแรงจูงใจต่างกันแล้วก็อะไรจะเป็นแรงจูงใจเนี่ยจริ ง, รงๆเราไม่ควรจะถือว่าผิดไว้ก่อนนะครับถือว่าดีไว้ก่อนถูกไว้ก่อนว่าทาไมถึงอยากเป็นอาหารหันต์มีอะไรเป็นแรงจูงใจแต่ละคนนั้นมีแรงจูงใจหยาบละเอียดแตกต่างกันเช่นว่า อยู่ๆคนจะมีแรงจูงใจว่าฉันอยากเป็นอรหันต์เพราะว่าการเป็นอรหันต์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ท่านได้นิพพานหายากครับไอ้แต่พูดเลยเยอะแต่ว่าหัวใจจริงๆนั้นหายากแต่ถ้าคนคิดว่าเออเป็นอรหันต์นี่ดีนะเป็นได้เป็นเนื้อนาบุญของคนอื่นเขาอาบางคนก็มีบางคนก็เป็นอรหันต์นี่ดีนะอ่าได้ความ ที่เราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กระทบกระทั่งด้วยสิ่งดีสิ่งไม่ดีใจเรามีความสมดุลมีความ เ, าเป็นกลางสูงบางคนก็อยากได้ความรู้สึกอย่างนี้บางคนก็อยากเป็นอรหันต์เพราะว่าเมื่อได้เป็นอรหันต์แล้วาบส ก, กาละมากก็คิดไปอย่างนั้นก็เลยอยากเป็นอรหันต์เพราะนั้นวัตถุประสงค์สูง ที่ตัวอยากได้อยากเป็นนะเพราะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอันอื่นเราต้องไม่ถือว่าผิดใครสนใจอรหันด้วยเหตุใดเนี่ยต้องเชียร์กันไว้ก่อนครับต้องสนับสนุนกันไว้ก่อนแล้วบางทีเราต้องไปยุให้เขาเกิดความอยากจะเป็นพระอรหันนี่ยว่าสูงเลยนะโดยเอาไอ้เรื่องที่เขาเข้าใจได้มาเชียร์มายุอย่าไปสกัดอย่าไปว่าไปด่าว่า ไม่ถูกผิดเพราะเรื่องนี้เราศึกษาประวัติพระแล้วเราก็เห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจก็อยากแต่งงานอยากเป็นอาลาหันเพระอยากขอโทษนะอยากเป็นอาาหันเพราะอยากมีเมียยัง ม, ม, มีเลยใช่ไหมละ่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นว่าพลาดนันด่างไงละ่ะจําได้ไหมอ่า น, นั้นก็เป็นเป็นเรื่องเงื่อนไขของบุคคล น, นั้นแควนี้ท่านองนี้ ท่านเกิดมาในสกุลกูดุมพีเป็นชาวแควนโกสนนะครับธรรมดาคนเกิดในสกูลกูดุมพีเนี่ยความจริงก็น่าจะขยันนะนะเพราะว่าเป็นสกูลพ่อเป็นสกุลพ่อค้าแต่มันก็ไม่แน่ครับลูกพ่อค้าขี้เกียจก็มีลูกคนขี้เกียจขยันก็ได้ ปลูกคนโหดเทียมมีเมตตาก็ได้มันไม่แน่นอนอย่างเช่นท่านมาทางคะาเนี่ยเมื่อจะเดินเติบโตขึ้นแววขี้เกียจก็ปรากฏเป็นคนขี้เกียจก็ไม่ทำอะไรจนกระทั่งพวกญาติเนี่ยพากันดูถูกตาหนิอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมัยไหนคนขี้เกียจไม่มีใครชอบยิ่งสกุลของคนที่ร่ารวยเนี่ย ความเกลียดคร้านแค่เกลียดคร้านอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของการมีลูกอย่างมากแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าไปเล่นการพ น, นันหรือไปทำอะไรต่ออะไรที่เป็นลักษณะของการปรตุสลายสกุลอย่างอื่นเพราะความขี้เกียเนี่ยมันมันหมายถึงอะไรอย่างอื่นจะตามมาเยอะท่า น, นพวกหยาดก็พากันล้มนิเพราะเหตุแห่งความขี้เกียดทีนี้ เพราะว่าขี้เกียจเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับถ้าไม่แยกแยะให้ดีมันก็เหมือนจะจริงอย่างที่บางคนเขาว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาว่า mm. คือว่าเมื่อท่านขี้เกียจเนี่ยท่านก็เห็นว่าเออการบวชเป็นพระนี่ดีนะสบายดีไม่ต้องทําอะไรอยู่ง่ายก็อยู่ๆไปวันๆ เพราะว่าบอเข้าไปในวัดแล้วก็พระก็ไม่ต้องมาทําอะไรวุว่นวายเหมือนอย่างเราทําแล้วเราก็ตีจินนินทากันแต่พอเข้าวัดแล้วกลายเป็นดีเขาไม่ตําหนิชีวิตพระจึงเป็นชีวิตขี้เกียจนี่ผมไม่ได้พูดเป็นคําพูดผมหายถึงพูดตามเนื้อความที่เขาคิดและคนในนี้มีคิดเหมือนกันซึ่งไอเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้ว่าชีวิตพระนี่มันเป็นเรื่องยอดของความขยันยอดของความอดทน ยอดของความอะไรอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขยันเนี่ยโหไม่มีอะไรที่จะจะล้ายแรงเท่ากับชีวิตพระที่มีความหมายว่าดำเนินไปตามกัรลองของของธรรพระธรรมวินัยไตริกาเนี่ยนะต้องใช้ความขยันอย่างรุนแรงมากเราไม่ได้บวชแค่เรามีศีลมีวัด ทำกรรมาฐานอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆเนี่ยยังรู้สึกว่าเราต้องขยันครับและในที่สุดเราก็แพ้แก่ความขี้เกียจจริงไม่จริงเราแพ้แก่ความขี้เกียจเอาแค่งงงว่าเป็นพระเนี่ยอ่าทําวัดเช้าทำวัดเย็นสว ด, ดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันก็น่าขี้เกียจแล้วใช่ไหมขอประธานอภยัยหลวงพ่อนะผมก็พูดตอนนี้อนัตตาสัญญา ไม่มีไม่มีอะไรพูดตามเนื้อหาพระหาธรรมะนะที่ว่าวไว้ก็ต้องขยันเราไปเห็นแล้วเราก็ยังนึกเลยว่าโอ้ถ้าเราต้องทําวัดทํากิ จ, จวัตรอะไรทุกอย่างทุกเมื่อเช้าวันอย่างนี้แล้วในระหว่างนั้นแค่ไม่ต้องทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะแล้วเหมือนกันนะมันน่าเบื่อหน้าเบื่ อ, อมุนก็สวดกันซ้ำๆมาทั้งปีทั้งชาติ ไม่มีเปลี่ยนเลยทั้งโลกก็ยังมีเพลงเดี๋ยวปรีนี่คนนั้นดังคนนี้เพลงเปลี่ยนเลตรวจซาำๆักษะก็น่าเบื่อและยิ่งไปอยู่วัดที่อมีการอาบริหารกวาดวัดทำโน่นทํานี่สงเคราะห์ประชาชนหรือทํากรรมฐานก็ยิ่งน่าขี้เกียจเพราะว่าทําแล้วมันไม่ได้อะไรนะ ถึงแม้ว่าจะว่าได้ตามเงื่อนไขวินัยแต่มันก็ไม่คุ้มเลยมองดูแล้วไม่คุ้มเลยนั่นถึงว่าต้องใช้ความขยันอย่างยิ่งแค่โดนศีลสองรอยยีบเจ็ดเข้าไปก็โอ้โหแค่ขยันรักษาศีลเนี่ยก็ชวนขี้เกียจเป็นหนักหนาแล้วทีนี้คนไม่รู้ก็คิดอย่างไม่รู้ท่านเองเ้าก็คิดอย่างไม่รู้มองดูทางกายภาพว่าขี้เกียจคือเอไม่ต้องสบายคือไม่ต้องประกอบอาชีพ ก็เลยบวชเพราะอันนี้เป็นเหตุหนึ่งและอันนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วอันนีเ้เป็นช่วงที่หนึ่งเหตุที่หนึ่งนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วเออเห็นว่าพระอรหันเนี่ยนะสมัยนั้นนะมันจะมีฤทธิ์อรหันไม่มีฤทธิ์นะหาทำยา ย, ยากรอรหันจะมีอภินิหารมีอะไรแปลกความจริงแค่อรหันสุขกรรมประสง์นั่นก็มีอัศจรรย์แล้วล่ะเป็นเป็นฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากคุณธรรมแต่สมัยนั้นเนี่ยท่านมักจะเป็นอรหันต์ชาลาพีก็คิดนึกว่าเออเราเป็นอรหรันก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีทีนี่ไอ้ตรงนี้นะฮะมันเราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนกับสมัยนี้คนขี้เกียจเนี่ยมักจะชอบอะไรที่เป็นเรื่องลิศลิศเด็ดเดดสูตรสําเร็จนี่นี่ผมไม่ได้แปลว่าคนชอบลิศจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่า พูดถึงในกลุ่มของคนขี้เกียจเนี่ยเช่นเวลายอยากรวยเนี่ยท่องคาถาแล้วรวยคนขี้เกียจชอบใช่ไหมท่องคาถาไปหาพระปลูกเศษลงเลขยงยันแล้วรวยคนขี้เกียจชอบมากแต่ถ้าพระองค์ไหนบอกโยมจะขยันโยมต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ให้ประพฤติทมพวกขี้เกียจไม่เอาหรือบอกว่าให้นี่ให้ไป ศึกษาหาความรู้ไปอ่านตำราตำรา ว, วิธีการหลักการแหมเพราะนั้นคนขี้เกียจจึงชอบอภินิหารชอบทรงเจ้าเก่าผีอะไรเงี้ยแหวรู้สึกว่ามันอย่างน้อยก็มีความหวังอุ่นใจแต่จะต้องไปลงทุนลงแรงทำเองความขยันไม่พอพบคนขี้เกียจมั่งใจใจร้อนคู่กับความใจร้อนจริงไมจริงใจร้อน ทำอะไรใจร้อนเพราะอะไรเพราะไอ้ความขี้เกียจมันมีบางทีมันขึดขยันบ้างก็มันมันมีอายุจํากัดถ้าลองทีที่หนึ่งไม่สําเร็จชักลาแล้วชักหมดพลังความขยันซึ่งมันมีน้อยอยู่แล้วอุตสาหรวบรวมพลังอย่างสุดแรงพอทําไปทํามาล้าเลยไม่เอาชอบทางลัด แต่สิ่งที่ช่วยได้อย่างดีก็คือฤทธิ์นั้นเราจึงเห็นพวกนี้ไปไหว้งงไห ว, ง, ไ ว, ไวงูไหวหมูไหว้ไหวมัวอะไรที่หนังสือพิมพ์ลงนะคนขยนันเสร็จแล้วเขาก็สลดและคนขยันมันทีเขานึกไอ้แง่ของความยุติธรรมนะว่าบางทีมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าคนเราจะได้อะไรเพราะง่ายๆอย่างนี้ ได้มาลอยๆเงี้ยมันก็ไม่มีคุณค่าเขาก็ไม่อยากได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคนมาหาธรรมะนี่เราถือว่ามาหาธรรมะหาขั้งแรกบวชหาด้วยศีลาสินอย่างสูงสุดเพราะเหตุมุ่งความสบายก็ตามแต่ไม่ได้มุ่งทำลายนะไม่ได้มุ่เข้ามาทำลายเหมือนอย่าง ในกรณีที่เราเคยได้ยินแล้วก็มุ่งที่จะเป็นอรหันต์จะทำวิปัสสนาเพราะอยากมีฤทธิ์นี่ทั้งศีลทั้งภาวนาเกิดจากแรงกระตุ้นในทางอยากทางโลภทางคู่กิเลสเป็นปัจจัยเป็นเครื่องกระตุน้นนำเข้าสู่วัด และเพราะอยากเป็นขั้นขั้ น, นสองอย่างนี้เมื่อมาได้อยากเป็นพระราหารเมื่อคลองพะเหลืองแล้วอันก็ทำกรรมาฐานมันภาวนาคิดว่าจะต้องมีฤทธิ์ได้เป็นอารานเมื่อมีฤทธิ์ได้จะได้ไปขมญาต่อทีไม่ว่าด่าล้าไว้อะไรเราไหวสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เราเหาะได้เลยไม่ละเราทำนู่นทานี่ได้แล้วเสกน่นเสกนี่พิ่ปลับได้โยมต้องทากัน ถามลูงหามคำ่ำยังไม่ค่อยจะได้ได้บางม่ได้บางล้มเหลวบางนะก็ะคิดไปแล้วนะอย่างนั้นและในที่สุดเมื่อทำด้วยดีบรรลุเป็นพระอระหันต์นี่เป็นตัวอย่างเลยครับว่าความปรารถนาใดๆในการเข้ามาสู่ธรรมเนี่ย ถ้าเราจูงคนอื่นใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และตัวเราเองเนี่ยบางทีก็ต้องเอาไอ้ความปรารถนาบางอย่างเนี่ยมาล่อตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาคุมอยู่เนี่ยเราล่ออย่างเช่นที่ที่เข้าใจและเราผมเองผมก็ได้ใช้อยู่เป็นเครื่องล่อล่อสกัดกิเลสบางอย่างด้วยแรงปรารถนากิเลสบางอย่างเราล้วเราใช้ ให้มันค่ากันเองและบางมุมเราก็ล่อ้วยขุศนจริงๆก็เป็นเรื่องของตันหาหยาบละเอียดแตกต่างกันนั่นเองในทางสาระเบื้องสูงที <c oughs> งนี้เมื่อท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็สมควรล้ครับที่ท่านจะเกลียดความขี้เกียจเป็นยิ่งนะท่านจะสอน โยมสอนพระท่านมักจะกล่าวแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความเกียจคร้านเป็นเรื่องธรรมะเรียกว่าประจําปากท่านที่พูดบ่อยอย่างเช่นท่านกล่าวว่าทั้งอาณาทั้งหลายย่อมล่วงพลนบุคคลผู้สละกการงานโดยอ้างเลตว่าเวลานี้หนาวนะัก ร้อนนักเย็นนักก็ผู้ใดทําผิดของลูกผู้ชายไม่สำคัญความหนาวและร้อนยิ่งไปกว่าญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขเราจากแหวกหญ้าแรกญ้าคาญ้าดอกเหลาแฝกญ้าปล่องและญ้ามงกระตายด้วยอกพอกพูนวิเวง อันนี้ก็คือที่ใช้คาว่ายาเนี่ยมันไม่ใช่้ํามนะฮะยาเนี่ยเราเราสามารถที่จะทำให้มันราบทำให้มันเป็นช่องได้ทำให้มันแหลกได้โดยไม่ยากในความร้อนความหนามก็คือยาเราเหยียบเราย่ำมันก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกมีทัศนคติต่อความเกลียดค้านที่มันคิดว่าเออเหตุนี้หรือสิ่งนี้เป็นของยาก แล้วก็ผัดวันประกันพุ่งโดยคิดอย่างนั้นโอมันก็ไม่มีอะไรอไร้ายแรงหรอกมันก็คือหญ้าแล้เหยียบเมื่อไหร่มันก็แหลกลานเมื่อนั้นนี่เป็นคติที่ท่านท่านสอนท่านแสดงแก่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นธรรมะประจําตัวของท่านเอองค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าชื่อว่าข so ุดชะโสพิตะโสพิตะเป็นชื่อตัวขุดชะนั้นแปลว่าคอม ข่อมนี่ไม่ได้แปลว่าข่อมมากคือถ้าข่อมมากเนี่ยวินัยไม่ให้บวชข่อมเล็กน้อยพอผิดปกติ เ, เราพอพูดถึงขุดชะเนี่ยเราจะนึกถึงอุบปติกาคนหนึ่งที่ชื่อว่ากุฎชุติรากุฎชุติราก็แปลว่าอุดนางอุดระที่มีกายค่อมแต่ว่าได้บรรลุเป็นพระริยาบุคคล ท่านองค์นี้ก็มีกายค่อมแต่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั้นพระอาหารหันต์ค่อมพระอาหารหันต์แคะแคะแกแรนซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงท่านละกุลตะกาปิยะพระอาหารหันต์มีอาการเป็นอย่างอื่นลาบอดก็มีอท่านาจากุบานเนี่ยนะก็มีเป็นเรื่องของชปากรรมที่มันปนๆอยู่ในบุคลิกของความเป็นคน ดีในแต่ละคนแต่ละคนที่แตกต่างกันท่านกุฎชาโสพิสานั้นเกิดในสกุพลพราหมณ์เป็นชาวนาครปารีบุตรเมื่อเอ่ยว่าเป็นชาวนาครปารีบุตรเนี่ยก็หมายความว่าท่านเป็นคนปลายพุทธกาลถึงหลังพุทธกาลช่วงตนๆเพราะว่าเมืองปาริบุตรนั้นสมัยพระพุทธเจ้า ยังเป็นแค่หมู่บ้านที่ชื่อว่าปาตาลีคามหรือปาตาลิกกามปาตาลีนี่มันแปลว่าแคร่ฝอยนะตอนหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มาตั้งเป็นพระนครขึ้นชื่อว่าเมืองปาตาลีบุตรเป็นเมืองที่โด่งดังยิ่งใหญ่อยู่ช้านาน เ, าเพราะว่าท่านมีกายคอมนั่นแหละเขาเลยเติมชื่อท่านว่าขุนชะอย่างที่ว่าทืนี้เมื่อโตขึ้นเนี่ย อ่าท่านไม่ได้ทันพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ทันมาบวชระเรียนพรพุทธเจ้าก็ได้มาทันพระอานนท์มาบวชกับท่านพระอานนท์เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วและเมื่อบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถึงพร้อมด้วยวิชาหกถ้าได้เอ่ยถึงวิชาหกนี่เขาเรียกว่าเป็นอาหารหันต์ที่เป็นชาลาวินโยได้วิชาหก วิหกนี่ก็มีอภินยาปกติสหาแล้วก็อาสวะคยะอภินยาอีกหนึ่งรวมเป็นหกเป็นโลกุตตราปัญญาหนึ่งเป็นโลกิยาภัญญาห้านั่นเองซึ่งการบรรลุของท่านนะบรรลุเมื่อช่วงทำปฐมสังคยนณาที่ทำสัตบารอาคูหา ที่มืองอะจะดืที่เรารู้กันแล้วพระสงฆ์ได้ขอให้ท่านไปนิมนต์พระอานนท์อ่าตรงนี้ก็เป็นเกร็ดรายละเอียดว่าอ่าเมื่อพระสงฆ์เลือกว่าจะให้ท่านพระานนท์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระโสดาบันอยู่ได้เป็นองค์สังฆทนาด้วยรูปหนึ่งซึ่งพระานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ก็ให้พระานนท์ไป ปฏิบัติพิปัติสนากับฐานแล้วก็มีพระองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคยพูดมาแล้วเป็นผู้ไปเป็นผู้คอยกํากับกระตุนะน้นพรานบให้ในขณะปฏิบัติธรรมและเมื่อปฏิบัติธรรมบรร ล, ลุเป็นเป็นพระหลานเนี่ยไม่ใช่ทันมาเองได้แล้วครับมาเพราะพระสงฆ์ส่งทูตซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านถ้าหากว่าเป็นลูกศิษย์ของท่าน ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าลูกศิษย์น่าจะบรรลุก่อนอาจารย์คือพระนนบรนนบรลุเป็นพราหลานก่อนอและเมื่อบรรลุแล้วก็มาสู่ที่เรียกว่าบริเวณปากทางที่จะเข้าสู่ที่ประชุมพระอรหันต์ก็เลยเห็นลูกศิษย์นึกถึงอาจารย์ใช้ให้ไปสามก็รู้ว่าบรรลุแล้ว ในนี้ก็บอกว่าท่านก็ใช้ลิตรดำไปโผลวดต่อหน้าพระานนท์าดำอะไรดำดิตโผต่อหน้าพระานนท์แล้วก็บอกว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายได้ใช้ให้กระผมมานิมนต์ท่านอาจารย์ให้เข้าไปสู่ที่ประชุม